เบื้องต้นการภาวนาให้จิตใจกลับมาอยู่กับตัวเองพอจิตใจกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วมันถึงขั้นเดินปัญญาได้ก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ไปถ้ากลับมาอยู่กับตัวแล้วก็อยู่เฉยๆนะไม่เดินปัญญาเรีนสมถาอีกแบบกลับมาอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ใจไม่ไหลไปมีร่างกายก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ ถ้าต่อไปก็จะเห็นไดนะ้ในร่างกายก็มีแต่ของไม่เที่ยงนะในจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ในร่างกายเนี่ยตัวที่ดูง่ายก็จะเห็นตัวทุกข์ง่ายร่างกายเรามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวคันมีความทุ ก, นานานกนะข์นานๆก็ป่วยเช็ดขัดยอกนะเป็นอยู่ตลอดสติปัญญา เข้มข้นขึ้นนะก็จะเห็นเองนั่งอยู่ก็ทุกนะยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกทุกจนถึงต้องเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไปเรื่อยเปลี่ยนอิเลียบที่นอนเราก็ต้องมีความทุกต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรยคืนหนึ่งสามสครั้งที่นอนพลิกตัวความทุกมันบีบคั้นหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจออกหายใจเข้ามากๆก็ทุกนั่นต้องหายใจออกแก้ทุก ใจออกมากๆก็ทุกข์ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์เนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในกายเขาจะเห็นนะกายนี้ไม่มีอะไรมีแต่ตัวทุกขนะ์มีพาระมากมายเลยตั้งแต่หัวถึงเท้านะั้นเต็ไมไปด้วยภาระที่ต้องดูแลมากมายตั้งแต่ตื่นจนหลับมีเรื่องที่ต้องดูแลร่างกายมากมายตื่นขึ้นมาก็เมื่อยเนาะนอนทั้งคืนเมื่อยเลยต้องบิดขี้เกียจก่อนนิดแก้เมื่อยอก็ไปอาบน้ําไปขับถ่ายโอาราเยอะนะ พามันไปกินข้าวพามันไปแต่งตัวพามันไปที่ทำงานมีภาระทั้งวันเนี่ยก็หิวอีกแล้วก็ไปห้องน้ำอีกแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในกายมากๆให้เห็นเป็นตัวทุกมีสติอยู่ในจิตมากๆเห็นอนิจจงอนัตตาเห็นง่ายดูจิตเนะี่ยถ้าจิตของเรายังไม่ดีนะยังเห็นทุกได้แต่พอจิตดีและจิตมีความสุขเนี่ยจะดูให้เห็นทุกนั้นดูยาก ดูจิตนะดูอ น, นิจจังง่ายไม่เหมือนร่างกายร่างกายดูอ น, นิจจังยากกว่ารูปอายุยืนเหมือนนามธรรมนามธรรมมีชีวิตอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็ดับมีแวบหนึ่งก็ดับแวบหนึ่งก็ดับแต่รูปธรรมน่ะอายุยืนกว่างั้นดูอ น, นิจจังยากรูปธรรมดูทุกข์ขังง่ายดูความทุกข์ที่มันบีบคั้นา ง, ง่ายแต่จิตใจนะดูอ น, นิจจังง่ายมีสุขก็แป๊บเดียวมีทุกข์ผ่านเข้ามานะมีสติระลึกรู้อยู่ความทุกข์ก็หายไปลดระดับไปเปลี่ยนไป เดี๋ยวทุกมากเดี๋ยวทุกน้อยเดี๋ยวทุกหายไปอนะไรมีความสุขก็เหมือนกันนะเกิดดับตลอดเวลาความเฉยเฉยเกิดขึ้นก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไม่เฉยแล้วกนะุศลเกิดขึ้นอย่างมีศรัทธามีวิริยะวันนี้ตั้งใจจะเดินจงกรมสักชั่วโมงหนึ่งคึกคักมากเลยนะลงมือเดินไม่กี่นาทีนะมองนาฬิกาล้วได้ครึ่งชั่วโมงยังเพิ่งได้สามนาทีอะไรเงี้ยนะ <c oughs> วิริยะหายไปละวกลายเปขี้เกียจนะวิริยะก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงเฝ้าดูไปกําลังเบือ่อเดินจงกรมมากๆเบือ่อดูไปที่เบือ่ออาความเบื่อดับอีกละความเบือ่อเป็นอกุศลก็ไม่เที่ยงนะความโลบความโกรธความหลงเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเนี่ยดูจิต ด, ดูใจจะเห็นความไม่เที่ยงได้ง่ายอีกอันหนึ่งที่เห็นง่ายสําหรับจิตใจนั้นคือความเป็นอนัตตา อนัตตาว да э ่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับควบคุมไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากอย่างเราอยากให้จิตใจมีความสุขมันก็ไม่ยอมสุขความสุขเกิดขึ้นแล้วอยากให้อยู่นานๆมันก็ไม่อยู่เราไม่อยากให้จิตใจมีความทุกข์มันก็จะทุกข์ความทุกข์เกิดแล้วอยากให้หายไปมันก็ไม่หายสั่งมันไม่ได้สั่งว่าต่อไปนี้จะไม่โกรธมันก็โกรธต่อไปนี้จะไม่โลภนะจะไม่ซื้อของถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ขยันซื้อเหมือนเดิมมันควบคุมไม่ได้นะ ว่าจะไม่เจ้าชูมันก็อดไม่ได้นี่อันนี้ใส่คือ ใ, ใจมันสั่งไม่ได้แต่ยาวธรรมะอันนี้ไปเป็นข้ออ้างกับภรรยานะภรรยาก็รู้สึกฉันก็คุมจิตของฉันไม่อยู่เหมือนกันได้เฝ้าดูนะในจิตจะเต็มไปด้วยคำว่าอนัตตาสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะอย่าไปโกรธเขาเลยก็จะโกรธเวลาใครเคยอกหักมีไหมในห้องนี้ เวลา อ, อกหกักใช่ไหมแป๊บเดียวก็จะไปคิดถึงเขาอีกแล้วพอไปคิดนะั่นเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็แฉนอะไรเงี้ยสลับไปเรื่อยๆเพื่อนก็มาปลอบอย่าไปคิดถึงเขาสิเนี่ยมันปลอบแบบคนไม่มีธรรมะห้ามมันให้คิดห้ามได้ไงอ่ะใจมันจะคิดอย่าไปคิดเลยอย่าไปคิดเลยสั่งไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตาหรือเวลาอะไรเกิดขึ้นนะสมมติเราไฟไหม้บ้านเพื่อนก็มาสอนเราเธอคิดทางบวกสิ เธอได้อยู่บ้านมาตั้งสิบปีแล้วมันถูกไหม้ไปเนี่ยควรจะดีใจนั่นได้อยู่มาตั้งนานแะคิดอย่างนี้นะอืคิดได้ไหมไม่ได้สัง่งไม่ได้มันจะคิดแต่ว่าโถเพิ่องอยู่ได้สิบปีเองไปซะแล้วนะมันจะกลับข้างเวลาไปซื้อเสื้อผ้ามามีตำหนิซึ่งนิดหนึ่งเส้นได้เส้นใหญ่อะไรขาดไปเส้นหนึ่งนะเวียนมองอยู่งั้นนะใครเป็นบ้างไหมเวลาไปซื้ออะไรมามีตำหนินะจะดูแต่ตรงที่มีตำหนิตรงที่สวยไม่ดูหรอก ปลาท่านก็เทศให้ฟังมองในแง่ดีสิส่วนที่สวยมีตั้งเยอะไปดูที่สวยสิดูอย่างนี้นะเราจะสบายดูได้ไหมไม่ได้จะดูไอตรงที่มันชำรุดนั่นแหละะห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ะ <c oughs> บางคนส่องกระจกนะพวกนี้พวกมีบุญส่องกระจกนะเห็นแต่จุดที่สวยงามของตัวเองจุดที่ไม่สวยไม่ดูนะหุยตาของฉันยังหวานอยู่เลยนี่ <c oughs> หวานมาห้าสิบปีแล้วก็ยังหวานอยู่อีกะอะไรเงี้ยนะส่วนบางคนนะ อกุศลให้ผลเนืองๆมองทีไรเห็นแต่ตีนกาหน้าสะสวยทั้งหน้าเลยนะไม่ดูนะหรือมีฝ่ายอยู่มเม็ดหนึ่งมองมันอยู่น้าหนัะเกลียดมันจังเลยนะสั่งมันได้ไหมมาให้ดูอันนี้ไม่ดูอันนี้สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ไไดคําว่านัตตาเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่อยู่ในอานาจเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะเนี่ยถ้าเรามาดูร่างกายเราจะเห็นตัวทุกข์ง่าย ถ้ามาดูจิตเราจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ง่ายเฝ้ารู้เฝ้าดูแล้วมันจะได้อะไรนะเนี่ยเป็นขั้นของการเจริญปัญญาล้เราก็จะได้เห็นความจริงนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกเราแต่เดิมเราเห็นว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษจิตใจเป็นของดีของวิเศษก็พยายามปลนเปลื่อมันรักไข้หวงแหนเกิดอะไรขึ้นสักนิดหนึ่งนะกลุ่มใจมากมายนะเจ็บป่วยนิดหน่อยกลุ่มใจนะ ผมหงอกขึ้นเส้นหนึ่งก็รุ่มใจผมหงอกเส้นแรกรู้สึกยังไงใครผมหงอกบ้างแล้วมีไหมผมหงอกอันแรกที่เราเห็นอะรู้สึกไหมออชื่นใจได้อยู่จน ย, ยาวนานเป็นรัตตันอยู่บุคคลอยู่มานานไม่รู้สึกเลยใช่ไมเส้นที่ห้าร้อยรู้สึกไหมเส้นที่ห้าร้อยความรู้สึกยังไม่เหมือนเส้นแรกนะเส้นแรกเนี่ยสุดๆเลยขับแขนเศร้าโศกนะใจคอห่อเหี่ยว เนื้อใจของเรานั้นเป็นของบังคับไม่ได้ร่างกายก็บังคับไม่ได้จริงหรอกนะแต่เฝ้ารู้เฝ้าดูเรื <ๆ S 2> มีของดีของวิเศษพอเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเนะืใจก็ยอมรับความจริงที่เราปฏิบัติทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อสะกดจิตให้เชื่อแต่เป็นการเอาข้อเท็จจริงของกายของใจมาตีแผ่ให้จิตใจมันได้เรียนรู้ให้มันมาเรียนรู้ซ้ําแล้วซ้ํำอีกลงไปนะจนกระทั่งมันรู้ความจริงรู้ความจริงของตายมันก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในกาย มัรู้ความจริงของจิตใจนะเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงแต็มไปด้วยของบังคับไม่ได้เนี่ยเราอุตส่าห์หาความสุขมาปรนเปลืยจิตใจทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้จิตใจมีความสุขแต่ความสุขอยู่แวบเดียวก็หายเปกแล้วความทุกข์ไม่อยากให้มาก็มาอีกแล้วบังคับมันไม่ได้เลยความทุกข์เกลียดมันเท่าไหร่ไล่มันมันก็ไม่ไปอะเนี่ยใจเริ่มยอมรับความจริงนะว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้นะเนี่ยใจเห็นความไม่เที่ยงทุกอย่างมีแต่มาแล้วก็ไปมาแล้วไปสุขมาแล้วก็ไปทุกมาแล้วก็ไป You, กุศลอ่ะกุศลมาแล้วก็ไปเนะนี่ยพอมันเห็นความจริงมันจะเริ่มเบื่อเราจะดินน้นรนหาความสุขไปถึงไหนในเมื่อความสุขเป็นของชัว่วคราวเราจะเกลียดชังความทุกข์ไปถึงไหนในเมื่อความทุกข์ก็เป็นของชัว่วคราวเราจะพยายามไปเท่าไหร่เราก็บังคับมันไม่ได้อยู่ดีเราจะพยายามทําให้จิตมีความสุขตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะพยายามให้มันไม่ทุกข์เลยมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ได้พบความจริงนะว่ามันไม่ดีมันไม่มีเศษนะจิตใจ มีแต่ของไม่เที่ยงยจิตใจมีแต่ของที่บังคับควบคุมไม่ได้เป็นไปตามเหตุทั้งสิ้นไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนื่อเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงนี่เป็นผลของการเจริญปัญญานะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพน้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะใจจะไปอิสระนะจะไม่เข้าไปยึดอยู่ในกาในใจเป็นอิสระมีความสุขที่สุดเลย เป็นความสุขของคนที่มีสรรภาพในขณะที่ความสุขทั้งหลายแหล่ในโลกโดยเฉพาะกรมมาสุขเนี่ยเป็นความสุขที่มีเงื่อนไขมากต้องเห็นอย่างนี้ต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องได้สิ่งนี้มาถึงจะมีความสุขต้องไม่เสียอันนี้ไปถึงจะมีความสุขความสุขในโลกนะะเรียกว่ากรมาสุขความสุขที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีสรภาพมีเงื่อนไขตลอดเวลาเลย เรารักคนคนหนึ่งเราเนื้ว่าจะมีความสุขเรารักใครเข้ามานะเราจะเสียอิสระภาพเพราะคนคนนั้นทันทีเลยนะไม่ว่าเรารักใครทั้งสิ้นเราจะเสียอิสระเพราะคนคนนั้นเลยรนะักสิ่งใดก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะเพราะว่าใจจะมีภาระผูกพันมากคนโบราณนะเขาแต่งกลอนเขาบอกว่ามีลูกนะเหมือนเชือกผูกคอมีเมียหรือมีสามีนะเหมือนปอผูกศอกมีสมบัติเนี่ยเหมือนปลอกรัดขาไป แห็นมมีลูกมีเมียมีทรัพย์สมบัติในโลกเขาว่าดีนะแต่นักปราชญ์ก็เห็นว่ามันมีภาระนะมีลูกทําไมเขาเทียบเหมือนมีเชือกลัดคอไว้เวลามีลูกนะกินอะไรไม่ค่อยลงนะมันต้องคอยดูก่อนว่าลูกมันได้กินหรือยังมีเมียมีสามีนะไม่คล่องตัวนะทําอะไรก็ไม่คล่องตัวไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมห่วงหน้าห่วงหลังมีสมบัติเหมือนปลอกลัดขาไว้ ไ, ไหนก็ไม่ได้นะห่วงสมบัติต้องนั่งเฝ้าสมบัติไว้เนี่ยมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นมีกายก็ทุกข์เพราะกายนะมีใจก็ทุกข์เพราะใจมีกายก็ต้องห่วงมันต้องดูแลมันมากมายนะมันเป็นอะไรขึ้นมาก็ทุรนทุรายมีจิตใจก็ต้องเที่ยวดิ้นรนหาความสุขมันบำเรอมันแล้วมันก็อยู่ไม่นานนะนก็จะหิวโหวยตลอดเวลาจิตใจเราเนี่ยหิวโหวยตลอดเวลานะยิ่งกว่าร่างกายร่างกายเนะี่ยหิววันละครั้งสองครั้งสามครั้งถ้าตะกะหนย ตะกล้าไม่ใช่หิวตะกล้าได้เวลาหลายครั้งแต่หิวจริงๆนะสองสาครั้งอะไรเงี้ยแต่ใจเนี่ยหิวตลอดเวลาเลยใจหิวอะไรหิวอารมณ์อยากได้อารมณ์ที่ดีอยากได้อารมณ์ที่ไม่ดีให้มันหายไปให้อารมณ์ไม่ดีหายไปมันมีแต่ความยินรนอ ย, อยู่ข้างในมีความต้องการเกิดขึ้นตลอดเวลางั้นมีแต่ความทุกข์นะถ้าเรามีสติปัญญาดูลงมาในกายดูลงมาในใจจะเห็นว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหน เนื่อการปฏิบัติธรรมนะเรามุ่งมาให้เห็นความจริงของกายของใจอย่างนี้ไม่ใช่หลอกตัวเองให้เชื่อหลอกอยังไงก็ไม่เชื่ออย่างเราฟังธรรมะ ม, มามากมายบอกร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขอังอนัตตาหรือว่าชีวิตนี้เราจะต้องตายแน่นอนเคยได้ยินไหมว่าเราจะต้องตายแน่นอนเชื่อไหมว่าเราจะตายวันนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกใจมันไม่ได้ยอมรับใจมไม่ได้ยอมรับจริงๆนะ แล้นเราพาจิตให้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเพื่อมันจะได้ยอมรับความจริงถ้ามันยอมรับความจริงนะมันจะคลายความยึดถือมันจะเป็นอิสระขึ้นมาความรักแต่เดิมนั้นไม่ว่ารักสิ่งใดเราเสียอิสระเพราะสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าบอกมีนาก็ทุกพระนามีวัวก็ทุกพระวัวนกลัวมันหายนะสมัยพุทธกาลนะมีพระราชนียงหนึ่งชื่อพระนางมาริกาพระนางมาริกาเนี่ย เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสิที่โกศลเนี่ยเป็นสามีนะคนก็ว่าเป็นชาวพุทธแต่ว่าศาสนาอื่นเขาก็ว่าเป็นศาสนาอื่นนะคล้ายๆแก่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะแก่ครบกับเ้าหมดแหละครบได้ทั่วๆไปครบกับทุกศาสานาแหละวันหนึ่งพระเจ้าประเสิที่โกศลเนี่ยถามพระนางมาริกาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอนนั้นยังไม่คุ้นกับพระพุทธเจ้านะพระนางมาริกาบอกว่าท่านสอนว่าที่ใดมีรักที่ท่านมีทุก ใช่ระเซนต์ีโกศลฝังแล้ขัดใจที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขสิใช่ไหมทำไมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกโกรธเมียนะโกรธพระนางมาริกาว่าอธิบายสิอธิบายไม่เป็นอธิบายไม่ได้พระนางมาริกาท่านก็ฉลาดนะส่งคนไปหาพระพุทธเจ้าไปถามท่านว่าจะตอบอยังไงดีได้คําตอบก็มาบอกพระเจ้ากโกศลบอกว่าเมืองโกศลเนี่ยพระองค์รักไหมบอกรักเป็นห่วงไหมเป็นถ้าเมืองโกศลไปตกกับคนอื่น จะพอใจไหมไม่พอใจนะมาเหสีอีกองหนึ่งแสนสวยแสนดีรักไหมรักถ้ามาเหตสีนี่แปลปรวนไปจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะบอกเป็นทุกข์ตอนรักอยู่ก็ห่วงนะเป็นห่วงอีกมีเมืองอีกเมืองหนึ่งเนมะืองสาเกตใช่ไหมหรือเมืองอะไรมีอีกเมืองนึงนะเมือแคมีเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งจําชื่อไม่ได้นะบอกว่าถ้าเมืองนี้หายไปเสียไปจะมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความทุกข์ เมืองนี้ตอนนี้ยังไม่เสียไปแคว้นกาสียังไม่เสียไปเป็นห่วงไหมเป็นห่วงนะบอกนี่แหละที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกวัยรุ่นฟังแล้วจะไม่เข้าใจรักคําว่ารักตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเลิฟนะรักตัวนี้หมายถึงความผูกพันคําว่าราคะเนี่ยความผูกพันไม่ว่าเราผูกพันกับอะไรนะเราจะเสียอิสระเพราะสิ่งนั้นสิ่งที่เรารักที่สุดเราผูกพันห่วงแหนที่สุดก็คือตัวเรานี่เองคือกายกับใจคือขันหานี่เอง ท่านถึงสอนให้เรามาเรียนรู้ขันห้าเรียนรู้กายเรียนรู้ใจถ้าเรียนรู้ได้แจ่มแจ้งนะว่ามันไม่ใช่ของดีหรอกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากเนื้อใจจะค่อยๆ ค, คลายความยึดถือตามความฉลาดฉลาดมากเห็นความจริงมากก็คลายความยึดถือได้มากนะเห็นความจริงน้อยก็คลายได้น้อยพระโสดาบันเห็นความจริงเล็กน้อยคลายได้น้อยพระสกทาคาก็ยังคลายได้น้อยนะ ถ้านาคาคลายได้เยอะขึ้น <S <S เห็นความจริงมากขึ้นพระอรหันต์เห็นความจริงแจ่มแจ้งนะคลายได้หมดปล่อยได้หมดท่านหนึ่งสอนบอกว่าพระโสดานะมีปัญญาเล็กน้อยมีศีลบริบูรณ์นะมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยพระสกทาคาเนี่ยมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยแม้ปัญญาอย่างน้อยอยู่ขนาดพระสกทาคาปัญญาน้อยแล้วพวกเราจะปัญญาขนาดไหน ต้องอ่อนมากๆเลยนะเรียกปัญญายบุบยาบเพอได้พระอนาคานะศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางพระนาคาอย่างปัญญาปานกลางเลยพระรหัสศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาเต็มบริบูรณ์เนื่อคําสอนข อ, ของท่านน่าอัศจรรย์มากเลยถ้าเราภาวนามไม่เป็นไม่เข้าใจหรอกฟังแล้วเหมือนมีเหตุมีผลนะแต่ถามเจาะเข้าไปนะตอบไม่ได้หรอกถามลึกลงไปแล้วจะอธิบายไม่ถูกเลย บอกว่าพระโสดาบันมีศีลสมบูรณ์แล้วนะทำไมท่านมีศีลบริบูรณ์นะท่านมีหิริโอตปะเต็มที่ท่านมีสติคุ้มครองจิตอยู่นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยสติท่านาระลึกรู้เลยกิเลสครอบจิตท่านไม่ได้นะถ้าจะทําผิดศีลผิดธรรมขึ้นมาท่านละมีหิริโอตปะขึ้มาต้องเบรกตัวเองเลยมันอายใจตัวเองก็จะรู้สึกทําไม่ได้ทําผิดศีลไม่ตรง สมาธิเล็กน้อยเป็นยังไงเหมือนพวกเราอันนี้แหละสมาธิเล็กน้อยคือจิตไม่ตั้งมั่นจิตฉลับตลอดเวลาคําว่าสมาธิตรงนี้นะหมายถึงลักขณูปนิชฌานนะไม่ใช่อารมณูปนิชฌานเมื่อวันแรกหลวงพ่อสอนอนะเรื่องสมาธิสองชนิดปุถุชนบางคนเข้าฌานแปดได้ไหมพระอรหันต์บางองค์เข้าได้แค่ปฐมฌานได้ฌานหนึ่งทำไมบอกว่าระดับอนาคาพระอรหันต์เนี่ยสมาธิบริบูรณ์ เข้าได้ปฐมฌานเองปุถุชนที่ว่าสมาธิจุ๋มจิมไม่มีเลยไม่เอาไหนเลยทําไมเข้าฌานแปดได้แล้วตอบไม่ถูกเลยนะปุถุชนมันมีฌานถึงฌานแปดได้นะแต่มันเป็นอารามณูปนิฌานคําว่าสมาธิเล็กน้อยเนี่ยนะหมายถึงรักขณูปนิฌานสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตหนึ่งปุถุชนไม่ค่อยมีหรอกจิตออกนอกตลอดจิตแฉลบตลอดนะพระอริยบุคคลนะพระโสดาจิตตั้งได้แว บ, บเดียวนะก็เคลื่อนนะ ตั้งได้แว บ, บหนึ่งก็เคลื่อนนะเคลื่อนไปไหนเคลื่อนไปหาอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์บ้างนะรูปเสียงกลิ่นรสผดผละเรียกว่ากรรมคุณอารมณนะ์ใจยังถูกกรรมลากก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดผลาได้ใจยังหนีไปคิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาได้เรียกว่ากรรมมาถมใจได้ถูกลากก็ไปตลอดเวลานะงั้นสมาธิเล็กน้อยถึงเข้าฌาน8ได้นะตั้งแต่ก่อนเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นโสดาบันก็ยังเข้าฌาน8ได้แต่ท่านก็ถือว่าสมาธิเล็กน้อย สมาธิชนิดลักขนูปนิชานความตั้งมั่นนะั้นมันเล็กน้อยมันแฉลบตลอดยกเว้นเวลาจะเข้าฌานนะั่นก็ไปกำหนดลมแล้วกลายเป็นแสงสว่างจับอยู่กับความสว่างนิ่งอย่างเงี้ยนะปล่อยสว่างนะมีปีติมีสุขปล่อยปีติปล่อยสุขเข้าไปเอกาตาปล่อยความรับรู้ร่างกายนะัเข้าอารูปฌานางนี้ท่านยังถือว่าสมาธิเล็กน้อยเลยนะดังนั้นต้องตั้งมั่นจริงๆนะท่านถึงจะเรียกว่ามีสมาธิตรงเนี้ปริยัติตอบไม่ได้นะไม่มีถ้าไม่ได้ภาวนาะไม่รู้หรอก พอเป็นพระสกทาขานะสติจะเร็วขึ้นเพื่อนเรารู้เพื่อนเรารู้เพื่อนเรารู้นะไม่เจตนานะมันจะตั้งได้เยอะงั้นสมาธินี่ปั่นกลางพระนาคาเนี่ยท่านมีปัญญาแก่กล้าแล้วท่านเห็นทุกเห็นโทษของรูปเสียงจินรถโพธภาพาทั้งหลายการ ม, มาคุณอารมณ์มาลากใจท่านไปไม่ได้ ใจของท่านตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีลักคนูปนิชานอยู่เนืองๆ น, นะใจไม่เคลื่อนไปไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาดูใจก็ไม่ถลําไปดูพวกเราเวลาดูถลําไปดูนึกออกไหมเวลาฟังถลําไปฟังเวลาคิดถลําไปคิดพระนาคามีแต่ถลําไม่คิดแล้วก็ไปตั้งสมาธินะถลําไปจับอารมณ์ภายในจับความว่างจับแสงสว่างจับอะไรงั้นไปไม่มีถลําแต่ถลําไปในรูปประพบอรูปประพบ จะไม่ถลำไปในกลางคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทัพพะทั้งหลายถ้าถือว่ามีสมาธิบริบูรณ์แล้วใจไม่ถลำไปหากลางแต่ว่าพระนาคาเนี่ยมีปัญญาปานกลางปัญญาปานกลางคือท่านเห็นความจริงนะว่าร่างกายนี่หรือตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยท่านไม่ได้ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ยึดถือรูปนี่ไมไ่ยึดถือกายนี่ กระทั่งตายัางไม่ยึดนะท่านก็ไม่ยินดีในรูปกระทั่งหูยังไม่ยึดนะท่านไม่ยินดีในเสียงถ้ายังยินดีในเสียงก็ต้องรักษาหูรักหูยิงยินดีในรูปนะต้องรักลูกตานี่ท่านเห็นความจริงเลยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนะมีแต่ตัวทุกตัวโทษคือร่างกายนี่เป็นของไม่ดีเลยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดท่านเห็นความจริงตัวนี้ท่านหมดความยึดถือกาย พอหมดความยึดถือกายท่านก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผัวทพ่าด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผัวทพ่าคือกามักูนอารมณนะ์นั้นไม่สามารถลากจิตของท่านให้ถล่มเข้าไปหาได้จิตของท่านตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เนี่ยะเป็นสมาธิบริบูรณ์เพราะมีปัญญาปานกลางเห็นความจริงว่าไกยนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยไม่หยุดไก่ส่วนพระละหนะันนะศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ศีลบริบูรณ์มาตั้งแต่โสดาแล้วสมาธิบริบูรณ์ตั้งแต่เป็นพระนาคาแล้วะ ปัญญาบริบูรณ์คือเห็นความจริงว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ตัวโทษไม่ใช่เห็นแต่กายเป็นทุกข์เป็นโทษนะการปฏิบัตินะไม่ว่าเราจะดูกายดูเวทนาดูจิตหรือดูธรรมก็ตามนะทั้งแต่ต้นจนสุดสายเนี่ยดูกายตลอดเลยเพื่มีจิตเป็นคนดูแต่นาทีที่จะขจัดทำลายวัตตะลงไปนะจะเป็นผ้าละหันเนี่ยนะจะแจ้งในตัวจิตเพราะจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดถือเนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราหวงแหนที่สุดเลยเป็นของดีของวิเศษ พระนาคามีเนี่ยเห็นว่าจิตเป็นของดีของวิเศษนะพระนาคามีมีปัญญาปานกลางเห็นว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์ถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่เป็นความหลงผิดของพระนาคามีคนที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นความจริงนะจิตจะมีความอยากจิตจะมีความยึดหรือไม่ก็ตามจิตมีความทุกข์โดยตัวของมันเองมันคือตัวทุกข์แท้เลยเนี่เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งท่านจะสลัดคืนจิตให้โลกไปไม่ยึดถือจิต ไม่ยึดถือจิตแล้วมันจะเกิดสภาวะของจิตอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนนะเรียกว่ากริยาจิตกริยาจิตเนี่ยไม่เสพอารมณ์ทางใจนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้คิดนึกปรุงแต่งได้เหมือนพวกเราเองแหละแต่จิตนี่ไม่มีความขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเลยไม่มีการไหลเข้าไปจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปนเปื้อนเข้ามาสู่จิตได้ไม่มีอะไรย้อมมันได้อีกนะคล้ายๆมันมันสะอาดหมดจดแล้วมันไม่มีตัวตนที่จะให้อะไรเข้ามาจับมันได้ใครเคยได้ยินชื่อชินเฉา เป็นเป็นสือเหียเป็นลูกศิตรุ่นก่อนนะวัหลางเป็นคนมาเรียนทีหลังเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่เนี่เขียนธรรมะมาว่าร่างกายเหมือนต้นโพนะจิตเหมือนกระจกเงาใสนะกิเลสเหมือนขี้ฝุ่นให้เราคอยเช็ดกระจกให้ผ่องใส ไ, ไว้วัหลางไปเห็นนะรู้เลยว่าชิตชาวเนี่ยไม่จบหรอกยังมีกระจกอะไรคือกระจกก็จิตไงยังต้องคอยถนอมรักษาจิตอยู่นะยังต้องคอยปัดขี้ฝุ่นอยู่นะ ยังมีภาระที่ไม่สิ้นสุดนะก็บอกว่าถ้ามันไม่มีกระจกนะขี้ฝุ่นไม่มีที่จับนี่เขาเขียนธรรมะออกมาถึงระดับนี้หมายถึงว่าถ้าเราไม่ยึดถือจิตจิตจะกลืนเข้ากับมหาสุญญตานะกลืนเข้ากับจั ก, กรวาลที่ว่างเปล่าเลยนะไม่มีอะไรย้อมมันได้อีกต่อไปนะไม่มีอะไรจะต้องรักษาแต่มันจะมาสู่จุดนี้ได้ไม่ใช่เพราะเราจงใจทาให้จิตหลุดพ้นมาแบบนี้ ไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้จิตหลุดพ้นได้ด้วยตัวของจิตเองนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเขาแก่รอบมีพระสูตรอันหนึ่งนะชื่ออาจารยิกสูตรอาจารยิกสูตรนะสอนบอกว่าชาวนาเนียมีหน้าที่สามอย่างชาวนาสมัยพุทธกาลนะอันแรกไถนาอันที่สองไปหวานข้าวอันที่สามคอยดูแลเรื่องระดับน้า ถ้าน้ำมากไปจะท่วมต้นข้าวก็เอาน้ำออกบ้างถ้าน้ำน้อยไปก็เอาน้ำมาใส่นานะเนี่ยดูแลไปอย่างนี้ถึงเวลาแล้วข้าวออกรวงออกมเมล็ดเองชาวนามไม่สามารถสั่งข้าวให้ออกรวงออกมเมล็ดไดนะ้ข้าวออกของมันเองชาวนาทําเงื่อนไขสามประการเพื่อดูแลให้ข้าวออกรวงเท่านั้นเองภิสูจทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทํามรรคผลให้เกิดไดนะ้แต่ภิกษุต้องทํางานสามอย่างนะหมายถึงนักปฏิบัติด้วยต้องทํางานสามอย่าง คือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาแก่รอบสมบูรณ์ขึ้นเมื่อไหร่นะมีปัญญาแก่รอบขึ้นมาศีลนั้นส่งทอดให้ทําสมาธิได้ง่ายสมาธิที่ถูกต้องนะจะส่งทอดให้เจริญปัญญาได้ปัญญาที่ถูกต้องจะทาให้จิตหลุดพ้นไม่มีใครสั่งให้จิตหลุดพ้นได้นะมีแต่เราต้องพัฒนาศีลสมาธิปัญญานี้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจิตจะหลุดพ้นของเขาเองแม้จิตมันเป็นอนัตตานะ สั่งให้หลุดพ้นทําให้หลุดพ้นยังทําไม่ได้เลยเนี่ยท่านสอนมาอย่างนี้ชัดเจนมาตลอดนะพวกเราก็ต้องรู้นะอยู่ออย่าไปสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลไร้สาระที่สุดเป็นไ ป, นปนไม่ได้ต้องเป็นเองด้วยการที่เราทําเงื่อนไขาสามประการเหมือนที่ชาวนาทําเงื่อนไขาสามประการนะสมัยพุทธกาลนั้นชาวนาก็ทําแค่เนี้ใช่ไหมไปไปไถนาไปหว่านข้าวแล้วก็ดูแลเรื่องน้ําสมัยนี้ต้องมากกว่านั้นใช่ไหม ต้องฉีดยาด้วยใช่ไหมต้องใส่ปุ๋ยด้วยงานเยอะกว่าเก่าพวกเราสมัยนี้ก็เหมือนกัน ท, ทําไมชาวนาต้องใส่ยาใส่ปุ๋ยอะไรเยอะแยนะนั้นดินก็เลวลงไปเห็นไหมดินไม่สมบูรณ์อย่างแต่ก่อนละแล้วก็ศัตรูพืชก็เยอะของเราทุกวันนี้ศัตรูพืชเยอะนะอยู่ตามป้ายโฆษณาเนี่ยเยอะมากเลยนะมันเกาะอยู่มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยกิเลสเนี่ยชุ่มชื่นชุ่มฉ่ามากเลยนะต้องสู้มากกว่าคนสมัยก่อนนะพยายามสํารวม รวมอินทรีย์ทำอะไรธรรมะดีๆต้องพยายามทําให้เยอะๆไวปไม่งั้นสู้มันไม่ไหวหรอกกิเลสมันรุนแรงเหลือเกินยุคนี้สิ่งยั่วยวนมันรุนแรงเหลือเกินหรือการที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เร็วๆถ่ายทอดวัฒนธรรมเร็วๆออกมานะให้คนยอมรับว่าความเร็วเป็นเรื่องปกติโอ้นี่เรื่องเร็ว้ายมากนะในสังคมเราอย่างบอกว่าผัวใครเขาช่างอะไรเงี้ยมีเพลงอะไรนะแฟนใครไม่มีป้ายแขวนคออะไรเงี้ย ฉันรักเมียเขาอะไรเงี้ยโอ้ยเลวร้ายมากเลยนะมันถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เลวให้เรายอมรับความเลวเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือถ่ายทอดว่าคอร์รัปชันก็ได้นะขอให้มีผลงานเนี่ยถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะผลงานดีนั่นดีอยู่แล้วนะแต่วิธีที่จะได้มาซึ่งผลงานต้องดีด้วยสําหรับชาวพุทธเรานะไม่ใช่ดีแต่ปลายทางนะวิธีการต้องดีด้วยนะไม่ใช่วิธีอะไรก็ได้แล้วประสบความสําเร็จแล้วถือว่าสําเร็จอันนั้นไม่ใช่วิธีของชาวพุทธเลย เนี่ยสิ่งแปลปลอมเหล่านี้น่าเป็นพิษเป็นภั ย, ยเต็มไปหมดเลยนะดังนั้นเราต้องดํารงชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาอย่างแท้จริงต้องเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาตรวจสอบตลอดเลยนะกิเลสมันจะลากเราไปอย่างรวดเร็วเลยคนเพิามมายั่วกิเลสเรานะแล้วเราก็พร้อมจะตามกิเลสอยู่แล้วด้วยไม่ต้องสู้ให้มากเลยต้องอดทนให้มากเลยรักษาศีลไว้ให้ได้ตั้งใจรักษาศีลให้ดี แล้วก็มีสติมีปัญญารักษากายรักษาใจของตัวนะรักษาจิตใจไว้มีศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนะข่มใจไม่ยอมให้ทำตามกิเลสมีสมาธิบ้างเพื่อจะข่มกิเลสไม่ให้มายอมใจไหมศีลกับสมาธิไม่เหมือนกันนะศีลเนี่ยข่มใจไม่ให้ทำตามกิเลสมาธิเนี่ยข่มกิเลสไม่ให้มายอมใจนะถ้าสมาธิ กิเลสมันเบาหน่อยนะก็ขมมันไหวทําสมาธิสู้ไหวกิเลสไประดับกลางๆนะไม่รุนแรงมากแล้วนะก็ใช้สมาธิสู้ได้ขมกิเลสไปเลยปัญญาเนี่ยขุดลากถอนโคนกิเลสนะปัญญาก็คือการเห็นความจริงของรูปนามกายใจของเราเรื่อยไปเพราะนเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนปัญญามันแจ้งขึ้นมาปัญญามันแจมแจ้งขึ้นมาแล้ก็จะพ้นจากความทุกข์เป็นลําดับลําดับไปแล้จะพบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นของดีของวิเศษ เป็นแสงสว่างของโลกนะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขของโลกซึ่งมันไม่มีเลยโลกนี้มันมืดมันบอดเต็มทีนะมันหาความสุขความสงบอะไรไม่ได้เลยนะทุกหัวระแหงมีแต่เรื่องเบียดเบียนเขียนฆ่าล้างผลาญแย่งชิงนะทำร้ายซึ่งกันและกันเต็มไปหมดเลยธรรมชาติก็รุนแรงมนุษย์ก็รุนแรงต่อมนุษย์ธรรมชาติก็รุนแรงงั้นเราไม่มีทางเลือกนะเราชาวพุทธเนี่ยพยายามภาวนาเข้าเรียนรู้ทัน ตัวเองน ะ, จะเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาทำให้มากมากมากต่อไปถึงโลกจะแตกนะใจเราไม่กระเทือนเลยนะโลกจะแตกก็เรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของเราขนาดร่างกายเราจะแตกเรายังไม่เดือดร้อนเลยนะค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะเราจะได้ไม่จมลงไปในโลกที่สศกปลกุกนะเ่าวันนี้ไปกินข้าวนะ